เพื่อให้เข้าใจในสมัยครั้งพุทธกาลก็ต้องตั้งใจฟังเมื่อไม่ตั้งใจฟังก็ไม่เข้าใจที่พวกเรามาปฏิบัติธรรมผมได้เตือนไว้แล้วส่วนจะขัาพาใครชอบที่ไหนก็ไปเลือกเป้นเราได้แต่พวกท่านทั้งหลายคงจะ ยึดในใจไว้ชอบที่นี่ยึดชอบธรรมะอย่างที่ผมพูดนี้จึงอยู่ที่นี่ได้ถ้าไม่ชอบธรรมะอย่างที่ผมพูดนี้พวกท่านทั้งหลายก็คงจะไม่จำปัญหาที่นี่ในสมัยครังพุทธกาลก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราชอบธรรมะของใครเราก็ต้องไปปฏิบัตินำ คนพูนั้นหรือไปศึกษาที่นั้นถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องไปดังนั้นวันนี้ผมจะได้ให้คอาคิดเป็นเรื่องเตือนจิตสติใจทั้งทิตข์และธํามในตลอดอย่าโจมผู้ใครทำการปฏิบัติธรรมนั้นไม่มากถ้าเรารู้จริงรู้จังแล้วไม่มาก แต่เมื่อเราไม่รู้ไม่เข้าใจก็มีมากดังนั้นการศึกษาหลักพุทธศาสนานั้นบางคนว่าศึกษาไม่สิ้นไม่จบอันนั้นศึกษาไม่ถูกหลักคือไม่ตรงต่อพระประสงค์หรือไม่ตรงต่อคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองถ้าหากว่าเราศึกษาให้ตรงต่อ คำสอนของพระเจ้าหรือตรงตอบเล่าหมายแล้วก็จบได้ทำไมจริงว่าจบได้และทำไมจริงว่าไม่จบก็เราไปอ่านหนังสือธรรมวิจารถ้าหาว่าศึกษาและปฏิบัติถูกต้องนั้นเจ็ดปีอย่างนั้นหรืออย่างการเจ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุดนับตัง้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็วันหรือสิบห้าวัน ในอันนี้สงสารการคือเป็นพารหันนั้นเอาเรียว่าติ้งจบเป็นท้านาคามีนั้นยังไม่ติ้งจบท่านว่าอย่างนั้นตามตำรานะอันนี้ดังนั้นการศึกษาและปฏิบัติธรรมะแบบที่ผมจะนำมาเล่าสู่ฟังในวันนี้นั้นยางนานให้เวลาสามปี อย่างกลางหึงปีสามร้อยหกสิบหาวันอย่างเร็วที่สุดนับถึเป็นหนึ่งวันถึงเก้าสิบวันอันนี้สงไม่ต้องพูดถ้าหากศึกษาจริงๆ จ, จังๆแล้วจะหมดคุกแต่ไม่ต้องว่าถึงเป็นพาาเรียกคนคนเราเมื่อหมดคุกแล้วก็ถือว่าเราได้สาหลักพุทธศาสนาให้จบให้ถูกต้อง ดังนั้นเมื่อเรายังไม่จบก็สบายเรายังมีฟูกงอยู่นั่นเองทีนี้อันนี้เป็นคําพูดแต่วิธีทำก็มีอีกเรื่องหนึ่งวิธีพูดเป็นเรื่องหนึ่งเป็นคนละเรื่องกันและวิธีพูดเรื่องหนึ่งวิธีทำเรื่องหนึ่งวิธีเห็นแจ้งรู้จริงอีกเรื่องดังนั้นจิตแรล่ จำเป็นต้องอาศัยการฝึกและเป็นการรู้จับรู้จับับ น, นี้ต้องปฏิบัติด้วยการประทําคือเอากายลงประทําจริงๆเมื่อเราเอากายลงเอาลูกเรานี่ลงไปกระทําจริงๆไปเจริญจริงๆแล้วความรู้แจ้งความเห็นจริงความเข้าใจความสัมผัสจะปรากฏขึ้นมาให้เรารู้ ให้เราเข้าใจอย่างลับซึ้งถึงจิตใจจริงๆตอนนี้เรามาพูดกันวิธีกระทำเสียก่อนแต่วิธีพูดนั้นเราจะพูดตับกันไปวิธีกรทํานั้นต้องเป็นวิธีที่จเจริญสติวิธีที่จเจริญสตินั่นก็คือไม่นั่งนิ่งๆิและก็ต้องไม่หลับตาจะนั่งท่าไหนวิธีใดพ่อก็ได้ แต่เราต้องเคลื่อนไหวลูกกายเราไม่อยู่เสมอเสมอให้มันติดต่อกันเหมือนลูกโตเป็นวงจรไปอย่างว่าเนี่ยให้มันติดต่อกันเหมือนกับนาฬิกาหมุนอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่หยุดไม่เตานาฬิกาหมูนเต็มรอบแล้วก็หมูนไปเรื่อยๆไปเรื่อยหมูนอยู่จางนั้นเนี่ยนาฬิกาไม่เคยพูดว่าชั่วโมงนี้หยุดหรือว่าวัชั่วโมงนี้จะหยุด ไม่เคยมีเวสทเราหมุนให้มันเปนตีในระยะช่วงเวลาชั่วโมงนั้นให้ไปตีที่ตรงนั้นนาฬิกาไปตีจิ้นจิเพราะว่านาฬิกาเขามีเครื่องกดหรือเครื่องอะไรไว้ไปถึงเวลาช่วงนั้นกดตีกันอันนี้ก็คล้ายๆเหมือนกันเมื่อเราปฏิบัติไปถึงช่วงระยะนั้นต้องปรากฏอย่างนั้น การปฏิบัติธรรมะองภายๆเหมือนกฏบัตินาฬิกาที่เองทำไมจึงคล้ายๆเหมือนกันก้อชิแรกผมได้เคยเตือนเอามาแล้วว่าที้แรกต้องเจริญสติจเจริญสติเพื่ออะไรบางคนอาจจะมีข้อสงสัยอย่างนั้นจเจริญเพื่อให้เกิดปัญญาให้เกิดยานปัญญาลู้แจ้งลู้จริงแต่ไม่เอารูจับไม่เอารูจับ ดังนั้นการศึกษาหลักพุทธศาสนาอย่างลักนัดหรือศึกษาวิธีที่ดับทุกอย่างลักนัดไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเห้มากมาหลายเรื่องเราต้องมีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถเช่นพลิกมือขึ้นข้อมือลงให้มีสติเขาจะกำหนดรู้เอามือไปเอามือมาอเลื่อน เอาเพื่อนที่ไหนก็าตามคิดตาอ้าปากหายใจเข้าหายใจออกคืนน้ําลายผ่านลงไปในลังพอนี้ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้อันนี้วิธีง่ายงาาแต่เมื่อเรามีสติอย่างเป็นที่แล้วต่วม้าควจะเกิดขึ้นเนี่ยวเป็นญาณปัญญาของวิปัสสนาเกิดขึ้นให้รู้เรื่องรูปนาม โลกทำนามทำและรู้ทุกขังอนิจจังอนาาัตตาแล้วก็รู้สมมติสมมุติอะไรอะไรรู้ให้หมดทีเดียวเช่นธนาบาัตรหรือเงินเราเรียกกันว่าเงินแต่ความจริงเป็นกระดาษหรจะเป็นโลหะเป็นทองเป็นอะไรก็ตามต้องให้รู้หรือสมมุติพระสงฆ์องค์เนรเรานี่ก็ต้องให้รู้สมมุติอะไรรู้ให้หมดทีเทวดาอะไรรู้ให้หมด เมือนกับไปไม่ในต่าเรื่องสมมุติแต่ที่จริงเรารู้แล้จากเอาไปเป็นประโยชน์อะไร mm. ก็เมื่อมีคนถามเราจะได้รู้เรื่องสมมุติจริงๆอันนี้เมื่อรู้สมมุติแนะว่ารู้ศาสนารู้ศาสนาแล้วยป่ารู้พุทธศาสานาศาสนากับพุทธศาสานานั้นเป็นคนละอย่างแต่รวมรวมแล้วก็าย้ายคล้ากันอย่างที่ว่าศาสนาแต่ว่าคำสอน เมื่อศาสนาแล้ว่าตรงไว้ไข่ไข่เดินตันเมื่อรู้ศาสนาและพุทธศาสนาแล้วก็ต้องรู้บาตรู้บุญเมื่อรู้บาตรู้บุญแล้วก็จบนิกทีเจริญจะเจะิขั้นต้นที่ว่ามันจบเสร็จเมื่อจบขั้นนี้แล้วก็ต้องหมดสงสัยเรื่องสมมุติสีเ ท, ทวดานารกสวรรค์เพราะเป็นสิ่งที่สมมุติต้องหมดจริงๆ หรืออบาบรยามุกต้องเลิกละเด็กขาดจริงๆเพราะเห็นคุกจริง ๆ, ง ๆ, งๆงดังนั้นเราเคยศึกษาในตำลักตำลาล่ะพระบรมเจ้ญญาสอนเรื่องอ ร, ริยสัจสี่คือทุกสมุทัยนี้ด้วยมั้ยุกศึกษาให้รู้ทุกจริงๆสมุทัยทําให้ทุกเดินศึกษาให้รู้จักต้นเดตุของสมุทัยจริงๆมั้ยเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงวาระทุก เราต้องรู้จักมากจริงจริงและก็ปฏิบัติให้มันถึงความดับทุกจริงจริงอันนี้แต่วิธีอื่นนั้นก็ดีเหมือนกันแต่ที่ผมนำมาเรานี่ไม่ได้พูดถึงเรื่องการทำบุญให้ทหันหนักสาจริงจริงเจทำไมจึงไม่พูดเพราะทุกคนเคยรู้มาเคยได้ยินได้ฟังมา ที่ผมจะนํามาพูดวันนี้อุปมาอุปมาเหมือนกับแสงตะเวงดอกไม้ทุกประเทศจะเป็นสีดําสีแดงสีขาวสีอะไรก็ตามเมื่อแสงสาดทิศโผล่ออกมาแล้วดอกไม้นั้นคอยผ่านักแสงสาดทิศจวนจะบานได้ต่อเมื่อแสงสาดทิศโผล่ออกมา ถ้เกิเตีย้ยก็ประมาณประมาณเล็นเหมือนกับบัวสีเหลวเนกันบัวทีเหลนั้นเหล่านี้ตั้งทอหรือตั้งดูไม่อย่างเป็นที่พอดีแสงตะเวนออกมาดอกนั้นก็บาดอันที่ดอกที่สองที่สามที่สี่นั้นยังจมอยู่ในโถงในโพลเหมนแต่พวกเราคงจะชิคอย่างนั้นมาเพราะว่าผมได้เตือนมา ระยะจนจะเข้าพรรษาดูผมเตือนมันมันมนึกตรวจเตือนย่ำแล้วย่ำจีบย่ำแล้วย่ำอีบเพื่อให้ท่านตั้งท้าดีๆว่าจะเอาอยัางไงกนะันปฏิบัติธรรมตรวเตือนใครชอบที่ไหนชอบธรรมะของใครเราต้องไปศึกษาที่นั้นไม่ใช่ว่าจะไปทุกคนจำใจไปทุกคมใจจริงและ มาปฏิบัติธรรมะระยะนี้ก็ตปฏิบัติรู้ปัญญาจริงดังนั้นวิธีที่จเจริญสติเอาสติมากำหนดตายอย่างเดียวแต่ไม่กำหนดใจนั้นรู้เรื่องสมมุติแบบนี้เมื่อเรารู้เรื่องสมมุติแล้วเราจะให้รู้เรื่องวิปัสสนูวิปัสสนุปกิเลสมจะเกิดขึ้นมามันจะเกิดปีติ ปีติเซลความจิตใจลอ ย, นนยอย่างนั้นตามสำหรับสาราที่ญอาจตรายแต่คนก็เลยไปติดปีติเมื่อไปติดปีติพ่อก็เลยไปติดเขาที่กับสนุกคือความสิเลคือมันติดี่เลชัดเจนดังนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมะไม่รู้แจ้งไม่รู้จิงจำเป็นต้องจวยจากเอาสิตใจสิหนึ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ว่าเป็นประโยชน์ เมื่อสมมติวัที่ไม่เป็นประโยชน์ว่าเป็นประโยชน์นั้นเราเปริรใจเปิมาเหมนกับเราต้องการแขนไมนมีต้นไม้ต้นหนึ่งสำคัญที่สุดและมีแกนแข็งทีวันนี้เราเป็นผู้ที่ั ง, ง, งหวนลุกแหวงหาต้นไม้ที่แกนแขน็งเราก็เลยไปเห็นเอาต้นมหรือใบมหรือตเกีเราดูไปดูมาวัด น, นี้เราก็เลยติด นี้ไปลราก็เลยเอาไปมันไปบางคนบางคนจะเอากิ่งมันไปบางคนจะเอาตะเก็บมันไปบางคนก็ทา ก, ากาเอาเล็กๆเน้นน้อยเนื้อมไปวันนี้ไปผลที่บ้านที่เรือนเาก็ว่าเราได้แกนไม้มาแล้วเนื้อไม้เป็นัน้ำมันแต่ปวดจี๋อันนั้นไม่ใช่เพราะมันไม่ได้เป็นแกน ไ, ไม้มันจะเป็นใจกลางของไม้มันเป็นเพียงใบไม้มันเป็นเพียงเปลือกไม้ มันเป็นการสังเกตของไม้อันนี้ก็ต้องลูกดักอย่างนั้นตอนที่จะลูกจักอย่างนี้ตอนนี้มาปฏิบัติทางจิตเพราะพระพุทธเจ้าจะ ร, รู้เพราะอารทาทางจิตเราฟังแล้วก็ต้องทาทางจิตเหมือนกันกันกบพระพุทธเจ้าตอนที่ทำทางจิตนี้เราต้องเอาสติมาคอยดูจิตดูใจเหมือนแมวปับโนู ถ้าหากว่าบ้านเราดีหนูเราต้อเอาแมวมาเลี้ยงไว้พอดีหนูออกมาแม่มันจับอันนี้ก็เหมือนกันเราจะเริ่มสติขึ้นมาคอยดูความคิดเราเมื่อความคิดเราพุขึ้นมาเราก็เห็นแจ้งลู่จริงอันนี้เสียบว่าตัดจัครับแม้ผู้หญิงก็มีวความคิดเช่นนั้นผู้ชายก็มีวความคิดเช่นกัน พระเนนก็มีความคิดเช่นนะเด็กเป็นคนแก่แ ก, กนนะ่ก็มีความคิดเช่นนะั้นคนไทยคนจีนก็มีความคิดเช่นนั้นจะเป็นโซนชาติไหนภาษาใดก็มีความคิดเช็นนัวว้นจิวัตรทัดบเมื่อเรามาดูความคิดอันนี้แหละเราก็มาเอาสติคอยดูมันมันคิดมาพู่นเราเห็นรู้จักกันรู้จักแก้ รู้จักเอาชนะมันได้เมื่อเรารู้เอาจาับก็รู้จักเอาชนะมันได้มลาลดปรักดขึ้นมุดปไมอุปมาเหมือนกับเป็นข้าวเม็ดเอาไปลงดินจะเป็นข้าวเจ้าพลาตาข้าวเหนียวปตาแต่ให้เป็นข้าเปลืกอกเม็ดมันขวดมันเต็มเม็ดมันสมบูรณ์ดีๆเอาไปลงดินเอาน้าไปลดแล้วก็ พยายามรักษาจะให้หมดแมงกัดกินเม็ดข้าวนั้นถึงเวลามาก็งอกขึ้นมาเหมือ น, นกันการเจริญสติแบบนี้ก็เหมือ น, นกันวิธีมันงอกขึ้นมาเป็นอย่างไรบางคนอาจจะสงใจงอกขึ้นมาขั้งที่สองนี้ความทุกประเทศโทสะโมหโลภานั้นจะลดน้อยไป อันนี้เนี่ยความคิดที่ปรินามยานปัญญาเกิดขึ้นข้งที่หนึ่งแต่ที่แรกนั้นเราจะเข้าใจว่าเรารู้ลูกนามนั้นเป็นข้งที่หนึ่งแต่ความจิงอะไรไม่ใชเป็นเพียงความคิดของปัญญาชนบุคคลผู้มีปัญญารู้จักได้ทันทีแต่ตอนที่จะมาจาับความคิดให้ความโทน ควาโลกความหลงนี่ลดน้อยไปอันนี้เป็นขั้งที่หนึิรรเรื่องนี้แต่เมื่อเรายังทาลายหรือทำความเห็นแจ้งสิ่งนี้ไม่ได้อยังจัดเป็นขั้งที่หไม่ได้แต่คนธรรมดาสามันนั้นรู้ได้เรียงเรื่องรูปนามเรื่องสมมติพูดให้ฟังแล้วก็พูดได้จําได้แต่เรื่องนี้จําเป็นต้อง จเจริญสติทางจิตทางใจ้านปัญญาจิตเมื่อมันคิดขึ้นมาเราจึงแจ้งรู้จริงรู้เอารู้ทันรู้จัดการรู้จัดแก้เอาชนะได้เรียกวัฒนะคือใจรู้สับปากไปว่าเผาคือมันเป็นเองความเป็นเองนั่นแหละมันเรียกว่าวิปัชนาวิปัชนาคือเห็นความเป็นเองนั่นเอง เรียกว่าตัดจากร ท, ทำอันนี้มันมีอยู่ในคนพวกคนไม่ยกเว้ดังนั้นการตระรู้ของพระพุทธเจ้านั้นจึงไม่จกัดต้นจนสั้นวันะวิถ่าพวงรู้ระคุนอยากเป็นคนจนๆพ่อปฏิบัติได้และจะเป็นคนรวยด้วยก็ปฏิบัติได้เช่นเดียวกันเป็นเด็กพ่อปฏิบัติได้ เป็นผู้ใหญ่ก็ปฏิบัติได้ผู้หญิงผู้ชายปฏิบัติได้ทั้งนั้นปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติเพื่อแก้ทุกข์คนเราไม่รู้จักทุกข์ก็เลยเอาทุกข์มันมาเป็นความสนุกสนาล้าเลยบันเทิงไปทุกข์ดังนั้นความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้นั้นมี่องประเภทใหญ่ๆด้วยกับคือประเภท สีขาวอย่างประเภทสีขาวรี่คนไม่ค่ยรู้ประเทศสีดำนี่คนรู้งายประเภทสีขาวนี่นยังไงต่อเมื่อเราให้ทานรักษานสิ่ี่แหลหรือทํำกรรมาฐานก็ถามทําแล้วก็สบายใจว่าเราได้ทําแล้วถูกต้องแล้วอันนี้เรียกว่าเป็นประเทสีขาวทุวกสีขาวเลือกมืดสีขาวก็วา่าได้ วันนี้ประเททุกสีดำมืดสีดำอันนี้ความโกเมื่อมีความโกลขึ้นมาแล้วแสดงให้คนเห็นพันทีเด็กๆ ก, ก็รู้ความโลภนี้ไม่่คยรู้เพราะมันเยิ่มยมแยงแจกใสอันนี้คนนานรู้ดังนั้นความโกเกิดขึ้นภายในจิตใจของคนแล้วอันนั้นแหละพระบุรีเจ้าวัตรุกกมากที่สุด เหมือนกับของที่เนาเหม็นที่สุดพอจิตใจมันเนาเห ม, ม, ม็นมันจึงแสดงขึ้นมาเรื่องนี้ดังนั้นการแสดงธรรมะนั่นืองมันจบได้อันนี้เป็นวิธีปฏิบัติเพื่อถึงความตับทุกจิติตเรื่องนี้เมื่อเรื่องนี้ครามกดออกมาแล้ว เวทนาสัญญาสังขารปิญญาก็ยังมีอยู่ um, รร together, แต่ว่าไม่ใช่สายไม่ใช่สายจริงแต่มันติ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันหุดไปเมื่อเห็นจริงๆแล้วอุปมาให้ฟังเหมือนกับติงที่มัเกอกเราติงมันเคยกินเลือดของคนบัดนี้เราติงเกาะติงจับเราเอามือไปจับติ่งดึงมันไม่ออกมันติดมันเหนียว เมื่อทางทางทางหนึ่งติดทางืองมันหลุดทางนรืงหลุดทางนีง้่อ ง, ง, ง, งติดเราตึงตึงตอกแตเนื่อเราตอนนี้เราไม่ต้อ ง, างาการจับติดเอาปูนเอายาไปทุกับน้ําเมื่อไปทุกกับน้ําแล้วเอาน้ำปูนกับน้ํายาเนี่ยมาปี๊ดลากแตงเนืเเ้อเราไปพอดีนน้ำปูนน้ายามันลากลงไปถึงปากติง่งหรือแตงเนื้อแตนเนือติ่ติ่งมันหลุดเอง น, นี้ก็เหมือนกันเรื่องโกษาโมหะโลภะนี่มันมันนีมันเองมันนีเองดังนั้นบุคคลผู้ได้รู้อย่างนี้ก็อุปปัฏฐายุปมาว่าฟัางแล้วเข้าใจเหมือนกับแสงอาทิตย์ออกมาดอกไม้นั้นดอกไหนดอกใดจะบานก็บานได้ทางต้องการเมื่อดอกไหนยังไม่ทันต้องการบานกอด เอาไว้ที่นะันนานๆจะบาขึนมาเองคำว่าบาลไนี่ก็หมายถึงเข้าใจและปฏิบัติได้จริงอันนี้เรียกว่าอาศัยแงสงตเวบหรืออาศัยแสงผาคิปหรืออาศัยการฟังอยากท่านรูรู้อนนี้ทำไปเองรู้ติดตัวใจเหมือนเนดินในแบบนี้สิตกำหนดรู้การเคลื่อนไหวของรูป แกนารเคลื่อนไหวของจิตใจมันจะรากลขึ้นมาอีกเป็นขั้งที่สองอันนี้ขั้นที่ผมพูดแล้วว่าต้องทำลายของโโกรมโลกผมหลงได้จริงขั้งที่สองนี้ต้องทำลายกิเลสปัญหาอุปาทานรับได้จริงกิเลสสองประเภทนี้เป็นกิเลสอย่างหยาบจึงว่า ไม่เกี่ยวข้องเรื่องใจทั้งหมดคนที่ปฏิบัติแล ะ, จะเจริญสติปฏัฏฐานสี่แปดนี้ใครๆครก็ทำได้แต่เรื่องที่จะพูดนี้ขมพูดตามทัศนะคือใจรู้ใจเห็นใจเขาใจทัศนเะประหาสภาธรรมาภาวนาจะตระหัสภาธร้มเนวทัศนเละภาวนาจะตระหัสภาธ พัฒนะคือใจรู้ตักปากคือเถาเมื่อเราจะเริ น, นสติตันหดรู้เป็นทิธีเวเถาเถาใหามันร้อนข้าร่วมกลากดเกิดขึ้นมาส่วนกิเลสตัณหาและอุปาทานก็ชื่อไปเหมือนตะเกาสัมลีเป็นสุดน้ำสัมลีกับน้ำมันซุกัปในเดือยมันดูดได้เร็ เราก็เลยเอาลำดีเป็นชุบน้ำเพราะเป็นชุบน้ําแล้วก็นี๊บออกแรงแรงเมือ่อปี๊บออกแรงแรงแล้วติดมามันออกจากลำดีไปหมดเมื่อฟังแล้วในตํา ม, มาบอกว่าสิ่งเป็นเครื่องกําจัดสิเลียดอย่างยากสมาธิเป็นเครื่องกาจัดสิเลสยอย่างกากปัญญาเป็นเครื่องกำจัดสิเลียอย่างละเอียดในตำมาพูดอย่าง ตันนี้พวกเราเคยไปให้คำรักษาสิ่งติ่งเอทำลายสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ก่อนเพื่อว่ายังไม่เข้าใจหลักพุทธศาสนายังไม่มีสิ่งอย่างที่สิงของพระญาติคนจิตจดังนั้นสิ่งอันนี้ไม่ต้องรักษาคือสิ่งรักษาคนคือสิ่งรักษาจิตใจไม่ใช่ใจจะรักษาสิ่งอันนี้เรว่าสิ่งรักษาคน ที่ผมพูดให้ฟังเหมือนจะเอาสำลีไปสุกน้าดีน้าออกมาได้ก็มีัว่าแค่โขงกันและอุปมาอุปมาให้ฟังเหมือนกับติงที่กเกาะเราเมื่อมียาพิกอยู่แล้วติ่งมันก็ะไม่ได้อันยังเงมือนกันเมื่อเห็นติ่งนี้มันปวดตัวมันเข้าทานันทีเพราะมันตัวเนี่ยตัวการเห็นแจ้งเนี่ยเมื่อเป็นติ่นนี้ แล้วก็มีตินขึ้นมาเมื่อทำลายโทโคโมโลกโหลงไม่ได้ติณนั่นเป็นเสียงสังคมเป็นเสียงสมมติเท่านั้นเมื่อทำลายกิเลสตัณหาอุปทานสามอันนี้ไม่ได้คนยังไม่มีสิงที่เที่ยงเมือ่อเราทำลายโทสะโทหะโลภะได้บางลงไปและทำลายกิเลสตัณหาอุปทานสามปางลงไป รวมปรากฏเรื่องสิ่นนะจะเป็นเองรวมเป็นเองนั่นอุปามาให้ฟังแล้วเหมือนตับเปนข้าวที่มัน ง, งอกขึ้นมาอันนี้เป็นพันดับต่างอันนี้เป็นพันดับต่างเมื่อเรายัางไม่เข้าใจอย่างนี้เราก็ศึกษาตป้งปอย่างงหมงายไปแต่ก็ดีดังนั้นพวกท่านต่างๆคงจะชอบฟังอย่างนี้ ผมได้ทักทายควนเอาไว้แล้วหลายครั้งหลายหนชวนจากเขา้าพรรษาไทยชอบก็อยู่ได้ไทยไม่ชอบก็ไปเลยเพราะว่าจะกอ้อนรอนขอร้องให้มาอยู่ได้เด่านั้นเมื่อประธาไม่มีแล้วมันเสียหวังเมื่อปรทธามีจริงๆแล้วพูดยังไงก็ไม่ไปเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าเคยพูดกับเรื่องพระอานอนท์เอาไว้ว่าอานน์ เราจะไม่เอาดีกับพวกเรืเราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีดุงเงูเหมือนกับฟางหม้อที่กำลังทำหม้อดินที่ยีเปียกอยู่อู่สนใดผมคิกอย่างนั้นจึงว่าคอยเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาปฏิบัติธรรมด้วยกันในสัปดาหนี้เมื่อใครม่ประทากอต้องปฏิบัติจริงผมให้คอาคิดธรรมะ ดังนั้นเมื่อปฏิบัติจิตใจสำนึกปรากฏเกิดขึ้นท้งที่สามนี่เรียกว่ติสติสแตว่าปกติปกติจากนั้นพปกติอย่างนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องปกติคำว่าปกตินี่หมายถึงมันงงสาวอ่เทียมแผลไม่แต่หันจะไม่เป็นอย่าง อ, างอื่นไปได้ต้องเป็นอย่างนั้น เพราะเป็นอย่างนั้นก็อะไรเพรา ะ, ะรมันเปกติจากนั้นอันนี้การเดินทางเข้าไปห า, า, าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคืออะไรพระพุทธเจ้าคือตัวปกตินั่นแหละตัวปกตินั้นคืออย่างไรครับปุ่นมากจังหวัดสะอาดสว่างระบบตั ว, วชีวิตจริงๆนั้นมันมีความสะอาดอยู่แล้วตัวชีวิตจิตใจจริงๆนั้นมันมีความสว่างอยู่แล้ว ตัวชีวิตจิตใจจริงๆนั้นมันมีความสงบอยู่แล้วที่ไม่สะอาดที่ไม่สว yeah. mm. ่างที ai, hmm. ió, matter, okay. students, mm. ia, ่ไม่สงบนะไม่ได้เป็นชีิตไม่ได้เป็นจิตใจของเรามันเป็นปิชามันเป็นเกเรท่านเข้าใจอย่างนี้ดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เราพรูรุษสิทธิ์ขึ้นมาในตำรับตำราบอกว่าอธิษสิทธิาอธิจิตดาปิชาอธิปัญญาึกษา แต่ควรจริงผู้ปฏิบัติธรรมอาจจะรู้ว่าสิงขันสมาธิขันหรือปัญญาขันข้อใดแต่มันสงเคราะห์เข้ากันขันแปว่ารับรองขันเปลว่าฟองเฉว่าวดมูเนขั น, นขันแปลว่าลองรนะับอะไรได้ด้ยมวดมูฟมฟองเส้นเรามีสิง อย่างตาหูจมูกเลี้ยตายและใจเป็นปกนิอ่อนิ้นทั้งชิ้นอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องชิ้นห้าชิแดิ้นสิบชิสองร้อยยี่สิบเจ็ดนอันนี้เป็นอัตโนมัติควร็ีเพลงฟ้ากดขึ้นมาเองไม่ต้องไปสมทานอับอายที่ไหนอันนี้ดออชิ้นอันนี้มันไม่อยู่ในคนปุกคนไม่ยกเอง แต่พูดแล้วรู้เลือกให้ปฏิบัติเตนเมื่อพูดแล้วรู้เลือกปฏิบัตินตนปฏิบัติอย่างไรเป็นอย่างไรปฏิบัติคนคือกำหนดรู้จิตใจให้มือศัตรูเขาจะกำหนดรู้ท่านบอกว่าให้มือศัตรูเขาจกำรู้เราต้องมือศัติูเขาจะกดรู้ในการทาการพูดการคิดโดยที่คืออะไรที่มึเราต้องกำหนดรู้ดูจากมักนตลอดเวลา จะเป็นกางคืนก็ตามตลางวันก็ตามจะเป็นเวลาไหนก็ตามมีสติคอยระมันระวังอยู่อย่างนั้นแหละอันนี้หลัเป็นการเจริญสติดังนั้นมั่งคือนัตตวะว่าบอกเอาไว้ว่ า, ออ า, ววาทำที่มีอุปกรณ์มากสองอย่างนึ่นคสติคลระลึกได้สองสามสายนะยะควารู้ตัวคําว่าทำ ท, ท, ที่มีอุปกรณ์มากนั้น ขอลองคนนั้นคนเน้ไม่ได้จะไปอยู่ถ้ำอยู่งูอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวของเรามีสติปฏิบัติไปอยู่ทุกขณะทุกเวลาดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ว่าพุทธศาสนาหรือคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะ่า<ม>เจริญ งอกงามก็ต้องอาศัยบริสุทธิ์ทั้งสี่ท่านว่าสมัยนั้นมีมีพิสูจมีพิกูุนนีและอุบาศกปฏิการยังประพฤตปฏิบัติตามพระธรรมวินัยคือยังจเจริญสติปัญสีอยู่นั่นเองมักคลนิพพานหรือพระญาต บ, บุคล น, นั้นจะไม่ว่างจากโลกนี้ท่านววนตามที่กูบาอาจารย์เลาให้ัง รองกันข้ามข้าหาวว่าทิกษุสมณเณรและทิกษุภิกษุณีกูบาสุภวิการไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติไม่เจริญสจิปัะฐานสีแล้ว ไม่ได้ไปปราะโกฏให้บุคคลทั่วไปคือ ป, ปราชนเฉพาะบุคคลผู้ปฏิบัติจริงๆเล่านี้วันนี้เมื่อพูดไปอย่างนี้ก็เลยมาพูดกันเข้ามาในเรื่องสิ่งสิงเป็นเครื่องกำจัดทีเลสอย่างยาเพาะกำจัดโธซาโมฮโลฮยพยากที่สุดสิ่งเหล่านี้เลีอกว่าทีเด็ตัณหาอุปทานกรรมที่ยาที่อสุดเมื่อจำอจำ เลือกชำระสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็กิเลสกลางกาิเลสกลาง ก, าก็อาศัยสมาธิคือความรู้แจ้งไม่ใช่สมาธิการนั่งหลับตาหรือนั่งนึกนั่งคิดเอาอย่างนั้นไม่ใช่อันนั้นเป็นความคิดของคนอื่นมันไม่ได้เป็นความคิดของพระพุทธเจ้าเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าปฏิบัติตาแต่พระพุทธเจ้ามันต้องูเหมือน ก, น, กนกันกับพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ และความทุกข์ทนลดน้อยไปเหมือนกันกันกบพระพุทธเจ้ า, ยา ว, ว่ามในทุกประเด็เพราะพระพุทธเจ้ า, ยาเป็นเจ้าสานันศานาเพราะพระพุทธเจ้ า, ยาเป็นต้นเหตุเป็นต้นกาเนิดแล้วก็สอนเอาไว้เราต้องปฏิบัติตามพระพยายาุทธเจ้าถ้าเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้ า, ยามัต้องรู้กับพระพุทธเจ้ า, ยาจริงๆเพราะพระเจ้ า, ยาเป็นครูของเราเป็นศาสนาของเราสอนเอาไว้ดังนั้นเมื่อทางที่ตีบัดนี้ ก็เมื่อปรากฏขึ้นมาเห็นประเภทพวกคามคือเทวดานั่นเองเทวดาอยู่ที่ไหนก็เทวดาจำพวกคามนี้เองำคำว่าความที่นี้คือบุคคลยังมีอารมณ์ต้องการต้องการอะไรทั้งหมดรวมตัวเรียกว่าคามทั้งนั้นความนี่คือคนต้องการท่านนั้นนามมาสะว ะ, ะตภริสาวะ ามาเนี่ยคือควรต้องหาหาที่สาคือควรไม่รู้พระวาแต่ว่าคือยังมีพบธาตุหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอย่างนันเพราะเราไม่เห็นแก้ไม่ดูติดพูดง่ายๆได้ว่าพวกทำตัวแข่งจได้เพราะอาตมาเองหรือผมเองเคยทาตัวแข่เข้าใจว่าอย่างนั้นถูกต้องแต่ความจริงแล้วหาไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องจริงๆอันนี้รับรองตัวเองได้และเป็นเครื่องยืนยันได้ ดังนั้นบุคคลที่ไปติดความสงบอันนั้นสงบไสโมหะเพราะยังมีโมหะพร้อมอยู่คือไม่ทําลายโทษโมหะโลภะมาตั้งแต่ต้ น, ตนและก็ยังไม่ทาลายกิเลสกัญหาอุปทานรมขึ้นมาอันดับสองก็ยังไม่ทําลายสิมนั้นจึงไม่ปรากฏดังนั้นคนไปทำกรรมฐานเรื่องแบบสงบแล้วต้องไปสรมฐานสิน ต้องเจริญศิ่งเจริญปัญญาว่าอย่างไรอันนั้นเจริญสามขั้นตอนว่าอย่างไรแต่ความจริงแล้วขั้นตอนนั้นมีอยู่แต่ขั้นตอนที่แทกนั้นต้องรู้ตัวเองและกระทาลายอย่างที่ผมพูดให้ฟังนี้คือทําลายความหลงผิดที่เองขั้นตอนขั้นต้นๆเข้ามาอย่างนี้ไม่ได้ว่าขั้นตอนเรื่องไปพิจารณาอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นมันก็จริงโดยคําพูดสมมติขึ้นมา ที่ผมพูดนี่พูดความจริงเพราะทุกคนต้องการความจริงที่ผมพูดเอาไว้แล้วว่าดอกไม้อาศัยแสงสาชิตุแสงตะเวนโผล่ขึ้นมาดอกไม้ต้องบานได้ดังนั้นเราก็ต้องอาศัยการจำรู้จำวางไว้บทที่แรกต้องเป็นอย่างนั้นบทที่สองต้องเป็นอย่างนั้นบทที่สามต้องเป็นอย่างนั้น บทที่สีต้องเป็นอย่าง น, นอันนี้จำไว้อาศัยรู้จำัำรู้จักและก็ต้องปฏิบัติให้เป็นอย่างนั้นท่านสอนเอาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้อย่างนั้นดังนั้นพวกเรามรรธรรมะแบบนี้ก็ต้องเราแบบนี้เมื่อทําลายตามตามม า, มาสะวะคือทําลายได้จากสงคราม คือไม่หลงติดจากสกรรมกรรมนี่จะเป็นการไหนไหนก็ตามอะไรก็ตามรู้จะให้ก็ถึงภพกา้าก็พยายามทําลายให้จริงๆเห็นก็ต้องทําลายได้เมื่อไม่เห็นทําลายไม่ได้เมื่อไม่เข้าใจทําลายไม่ได้อวิชชาก็เหมือนกันเมื่อไม่เห็นก็ทําลายไม่ได้อันนี้หลักสัญญาจิตใจของเราเมื่อมีติดมั่นคงถาวรไม่เปลี่ยนแปลงไปได้ ติ้นมั่นคงแล้วก็เดินไปหาพระพุทธเจ้าหยู่จุดไหนอยูที่ไหนต้องเข้าไปให้ถึงจริงๆเมื่อเราเดินมาหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเราต้องเข้าไปใกล้ๆไปพูดกับพระพุทธเจ้าแต่ว่าการพูดกับพระพุทธเจ้านั้นบางคนก็หาว่าพระพุทธเจ้ามาคุยฉันเหมือนกับเทวดามากสิตเต๋อหูฉันอันนั้นไม่ใช่ อันนั้นคนเป็นนิปพพานุเป็นนิปลาตเป็นจินตยานต่างหาไม่เคยแสวหาพระพุทธเจ้าตอนที่แสวหาพระพุทธเจ้าไม่จงรู้อย่างนั้นคือความเห็นแจ้งรู้จริงพระพุทธเจ้าต้องทำลายอันนี้อันนี้หมดไปอันนี้จึงว่าพระพุทธเจ้ามาที่นี้เห็นรอยเท้าพระพุทธเจ้าไปลอยพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไร ก็เรารู้จากวิธีที่ทำลายไปนั่นเองคือลอยเท้าของพระพจ้าแต่ไม่ใช่ไปคุยเอาบางคนพูดให้ฟังวันนี้ผมมีอันนั้นมาหาเทวดาองค์นั้นมาพูดหรือพระอินทร์พระพรหมองค์นั้นมาคุยมาพูดให้ฟังอ น, นั้นไม่จริงรับรองไม่จริงจริงจริงที่ผมพูดนี่ผมเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ผมเอาชีวิตเป็นประกันเป็นเดิมพันจริงๆรู้อย่างนี้จริงๆรู้นอกเหนือไปจากนี้ไม่ไช่ไม่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆเรื่องนี้พอดีททำลายความหลงติดเป็นามาตวะวจำพวกนี้ทำลายได้พระวาตวะคือทำลายพกได้อะมีตาสาวะคือทำลายอภิีตาต้นเทุกาเนิดที่เกิดของทุกจริงๆ อวาม่ิชาเดียวความไม่รู้จริงคือไม่เห็นจริงอันนี้อันนี้แหละศึกษาให้รู้จักทุกจริงจริงสมุทยทาให้ทุกเรื่อจริงๆและศึกษาให้รู้จักทางดับทุกและวิธีเข้าไปถึงความดับทุกจริงจริงและทุกคนมีอยู่แล้วเราไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจสิ่งนั้นก็ยังไม่ปรากฏเมื่อสิ่งนั้นไม่ปรากฏก็ ยงไม่รู้เมื่อความไม่รู้ก็เลยเป็นการคาดคิดมันเป็นการคาดคิดนั้นท่าพุทธเจ้าท่านเคยสอนเอาไว้ในหนังสือกลธมะสูตรผมเองเคยเขียนหนังสือกลธรรมะสูตรไว้ไม่ใช่ผมเขียนคือผมลอกมาจากตาําราว่าอย่าเพิ่งเชื่อที่เขาพูดกันมาอย่าเพิ่งเชื่อที่เขาทำตามตา ม, ตามกันมา ย่าพึ่งเชื่อต า, ามเขาเล่าลือกันมาอย่างนั้นอย่างนี้และอยาพึ่งเชื่อเห็นว่ามีอยู่ในตำหนับตำานาคลิกพ่อที่สุดว่าไม่ต้องเชื่อแม้ถึงครูบาอาจารย์ของตัวเองก็ไม่ต้องเชื่ออันนี้ดังนั้นที่ผมพูดนี่ก็ไม่ต้องเชื่อจริงๆแต่ฟังจำไว้ได้ขนาดนี้แต่ไม่ต้องจำก็ได้ไมันเป็นอย่างดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ เราก็สร้างสติทําความรู้สึกอยู่จนเท่าไหรเท่าไหรกตามันทําบ่อยๆทำต้มตู้ต้มซ่าอยู่อย่างนั้นแหละแต่ผู้น้อยก็ต้องเป็นอย่างนี้ผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นอย่างนี้ผู้หญิงก็ต้องเป็นอย่างนี้ผู้ชายก็ต้องเป็นอย่างนี้ธรรมะอันนี้มันมีอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเว้นพูดแล้ ว, ว่าคนไทยพูดภาษาไทยรู้กันดี แล้บปฏิบัติแบบนั้นจริงๆคนจีนพูดภาษาจีนรู้จักกันดีปฏิบัติแบบนั้นต้องเป็นอย่างนั้นคนพรังพูดภาษาพรังรู้กันดีต้องปฏิบัติอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นคนลาวคนขเขมรคนจวนคนอะไรก็ตามแต่ให้รู้จักภาษาแล้วพูดกันแล้วรู้เรื่องต้องปฏิบัติอย่างนั้น มันต้องเป็นอย่างนั้นมันเป็ น, น, นดังนั้นอันนี้เป็นรอบที่สามรอบที่สี่คือมารวมตัวกันข้าทั้งหมดพูดกันง่ายๆเลยว่าธาตสี่คือทธาตุิ่นธัตุน้ำธาตไปธัดลมมารวมตัวกันข้าวรวมตัวกันเข้า ว, วาจริงๆเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันข้ามาสมมุติให้ฝ่าอันนี้เป็นสมมุติเราทํำบาปด้วยกาย ทำบาปด้วยวาจาทำบาปด้วยใจอันนี้เป็นสามอันแต่ทำบาปด้วยกายคือมิได้กายไปทำอย่างเดียวคำพูดมันยังดีอยู่และทำบาปด้วยวาจาคือกาย่ไม่ทำกายได้ทำดีอยู่แต่วาจานั้นพูดหยาพายเนื้อพูดให้เขาเสียซื่อเสียงอะไรก็าตามแต่พูดหยาพายอันนี้เป็นส่วนใดส่วนบึงวันนี้ใจวันเนี้ยยังดีวันนี้ทำบาปด้วยใจ กายทำดีวาจาุู้ใจคิดตกตกบกเน่าเหม็นเนี่ยอันนี้สามอย่างนี้เป็นคนละส่วนบัดนี้ทำทั้งหมดเลยทำบาป ด, ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทำพร้อมกันทั้งหมดสามอย่างนี้บัดนี้อันนี้เป็นเป็นขั้งที่สี่คือพร้อมกันทีแรกก็ทําอันละอันลอันอ น, นัน่นนี่บาปทำอย่างไร มีทุกขนาดไหนเราจะรู้จากเองเรื่องนี้ไม่ต้องไปอ้อนวอนขอร้องจากผีเทวดาองค์ไหนเลยอันนี้พาครณจะท่านสอนอย่างนี้สิ่งนั้นจะปรากฏขึ้นมาเองท่านสอนอย่างนี้และตรงกันข้ามทำบุญเบิกกายคือเอากายไปทําดีอย่างหนึง่งแต่วาจาและใจได้ยังไม่ดีบัดนี้ เอาคำพูดไปพูดดีๆเพราะเพราะตายไม่ต้องพูดหรือใจก็ไม่ต้องพูดหรืมีแต่คำพูดเท่านั้นพูดดีๆมีอณนนิสองอย่างไรและมีบุญอย่างไรที่สุดของอบุญมันเป็นอย่างไงความสุขรสชาตของบุญเป็นอย่างไงเราจะรู้เองเป็นแบนี้ทําบุญด้วยใจมีแต่ใจจำเดียวทำกายกับวาจาไม่ต้องทำและจะมีอณนนิสองอย่างไร และจะมีรสชาต์ความสุขแบบไหนที่สุขของทุกอยู่ที่ไหนก็จ ะ, จะรู้ไปอย่างนี้บันนี้เขเลยมารวมกันเข้าบันเนี้ยอย่างที่พูดได้ ว, ว่าธาตที่คือธาตุอิฐธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมทําบุญด้วยกายทำบุญด้วยปัญญาทำบุญด้วยใจรวมกันเข้าให้เป็นอันเดียวมี่ยังไงตอนนี้เหมือนกันคับที่พวกเรากําลังทํากรรมฐานหรือจเจริญสติอยู่ในขณะนี้ การกระทำํำทิกมือขึ้นควบมือลงมีสติกำหนดรู้และคําพูดก็ ย, ยังไม่ได้พู้่งกระไพรจิตใจก็นมันโน้มเอียงไปในทางตัดสู้หรือทําลายคนหลงผิดพร้อมกันแล้วทั้งสามอย่างพบกำหนดกันได้ทั้งสี่อย่างคือทำให้พร้พอมกันไปเรียกว่าธาตุสีธาตุปีธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมประุมกันแล้วจึงทําได้ ทำได้จริงๆเรื่องนี้เมื่อทำอย่างนี้แหละความปรากฏจะเกิดขึ้นมาเองความปรากฏเกิดขึ้นมาตอนนี้เรียกว่าครั้งที่สิบจืมารวบตัวกันเข้ามันจะพังไปทั้งหมดเลยพลังตัวมันจะพังไปทั้งหมดเลยแต่ไม่ใช่พังแตกเอื้อออกไปไว้ใช่อย่างนั้นคือมันจะรู้จั ก, จกอันนั้นผิดอันนี้ถูกต้อง อันนั้นผิดอย่างนั้นอันนั้นผิดอางนี้อันนี้ถูกต้องอย่างนั้นอัถูกต้องอย่างนี้มันจะรู้จักอย่าง้รรู้จักจริงๆเรื่องนี้ดังนั้นการศึกษาหลักพุัชศาสนาจึงศึกษานักนัดให้จบลงได้ความทุกข์เกิดมาเพราะความหลงผิดความทุกข์เกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้เพราะเราไม่รู้เราจึงทําอันนี้เรียกว่า ต้นเหตุกาเนิดที่เกิดของทุกอยู่ที่จุดนี้แต่เมื่อเรายังไม่มาถึงจุดนี้เราต้องปฏิบัติไปและ พ, ะพระเจ้าเองก็ต้องทำอย่างนั้นจนหมดลมหายใจดังนั้นเมื่อมันมาถึงจุดนี้มันจะหลุดตัวมไปทั้งหมดเลยมันจะหลุดไปทั้งหมดเลยมันจะเป็นซิ้งเป็นอันเป็นสิ้เนเป็นอันไม่เกาะไม่เกี่ยวกันเหมือนกับรถจน รถยนต์นี่เอาล้อมันออกตัวรถยนตไม่มีหรือเอาเครื่องยนต์คนใครเอาแหวนมันทางเอาไปวางไปเป็นส่วนเป็นส่วนมาแล้วรถยนต์วิ่งไม่ได้ดังนั้นคนนี่ก็เหมือนกันแต่ว่าพูดอย่างนี้อาจจะเข้าใจผิดถ้าอย่างนั้นก็ต้องตายนีิอันนั้นมันไม่ได้ตายอย่างนั้นคืออันนั้นแหละมันตายอะไรสิ่งที่มันเข้ากันได้น่ะมันตายคือสิ่งที่เข้ากันไม่ได้น่ะ มันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วอาศัยศิลศิลจึงเป็นปกติด้วยกายและวาจาพร้อมทั้งจิตใจเมื่อมีศิลมีธรรมประยำอยู่แล้วจิตใจของคนนั้นความปรากฏนั้นมีขึ้นมาให้เรารู้ให้เราเห็นเองดังนั้นหากว่าพวกเรามาปฏิบัติธรรมในพรรตนี้เมื่ออยู่ที่นี่ก็ต้องปฏิบัติให้รู้ ให้เข้าใจให้เห็นแจ้งลู่จริงอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ว่าทุกคนมีอยู่แล้วในคนทุกคนพ่วงตอกยาวาหนาคืบพ่วงตอกเดียวคือหน้า อ, อกเหล่านี้ยาว า, าเดียวคือสูงตำ่ำหนาเพียงคืบเดียวคือตรงข้างเหล่านี้มีพร้อมแล้วทั้งสัญญาและใจมีพร้อมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างทั้งนั้น นี่ของพระเจ้าขนอย่างนีน้อันนี้เป็นที่พูดกันนับตอนที่เรามาถึงจุดที่สี่นี่แหละเราจะมีความปรากฏบางคนนะแต่ก็ไม่เสมอไปแต่ว่าก็มีเล็กๆน้อยๆควกมภูมใจของคนนั้นเราไม่เคยมีอย่างนี้และความเป็นอย่างนั้นจะปรากฏขึ้นมาเมื่อปรากฏขึ้นมาเราจับ ไปติดความสุขไปติความสุขนั่นปิดแล้วคือลูนตัวเนี่ยตอนเนี้ให้ระวังให้ดีอย่าเป็นคนลูนตัวท่านสุดท้ายนี่แหละอย่างที่เราตรวจกันเมื่อกี้นี่ว่าท่านจงทําตัวอย่าเป็นคนประมาทให้ถึงพร้อมด้วยสติเนี่ยอย่าเป็นคนประมาทให้ถึงพร้อมด้วยสติเมื่อเราไม่มีสติควบคุมไปไปติ ด, ตดความสุขเพราะเราไม่เคยเป็นอย่างนั้นมันยืดเข้าหมดตัวมาเลย เหมือนกับสาลีผงๆเนี่ยมันยืดทั้งหมดเลยหรืออะไรก็าตามแต่มันผงทั้งหมดเลยมันไม่มีน้าไม่มีตอนไ ม, ม่อะไรมันผงมันเป็นธุลีอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นถ้าพูดอย่างนี้ก็ต้องมีการอุปมาอุปมาให้ความอิทธิภาะวะเหมือนกับตะเวนหรือผาทิศกลางวันเราว่าตะเวนบดแต่ความจริงสวรรค์ไม่บดหรือตะเวนไม่บดผา่าทิศไม่บด มันทําคนสว่างเด่นดวงอยู่เสมอเมฆต่างหาไปบางมันเมฆต่างหากไปไม่ไม่ทําคนสว่างมาสู่ขึ้นโลกแด้กพราเมฆต่างหาอันนี้ก็เหมือนกันตัวอวิชชาตัวนี้แหละมันคอยติดตามเราอยู่เสมอไปเรือ่องนางราคะนางตัณหานางอลดีอะไรต่างๆที่เราเคยได้ยินจากตำรับตารานะไปอรวาสพระพุทธเจ้านะ่ะ อันนี้ก็เหมือนกันมันมาทั้งดีได้ทั้งชั่วดังนั้นมืดสีขาวนี่ให้ระวังให้ดีมืดสีขาวระวังให้ดีเป็นไทยอย่างหนัก้ลยแรงก็มืดสีดำ้ลยแรงก็มืดสีดำจริงๆถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจเราจะไปติดอมืดสีขาวคนไปติดอามืดสีขาวนั้นแปลว่าคนไม่รู้จักดังนั้นคนจะไปติดเอา สมมุติมากที่สุดมือสีขาวหมายถึงสมมติสมตสมติสิ่งที่เป็นคุณดีความงานนั่นเราไปติดเมือ่อเราไปติดอยู่แล้วก็เป็นอุปาบาพฐานคว่าอุปบาทานเนี่ยมันเป็นการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้น น, นด้วยศีลและพระปรมาหรือถิ่นทอะไรต่างๆที่เราพูดกันดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนเอาไว้เราไม่ต้องยึดไม่ต้องถือ เราต้องทำกลมรู้แจ้งอันทําคนรู้แจ้งเนี่ยเราไม่อยากทำกันคือเราอยากได้แต่บุญเท่านั้นเองบุญมีความหมายอย่างไงแม้คนไม่มีบุญเอาบุญก็ไม่เป็นทําไมจึงไม่เป็นเพราะเราเอาบุญไม่เป็นเนี่ยมันจะได้บุญทําไมเมื่อคนใดมีบุญเอาบุญต้องเป็นเอาบุญได้บุญจริงๆคนไม่รู้จักบุญเอาบุญไม่ได้ คนที่รู้จักบุญนั่นแหละจึงเอาบุญเป็นคนรู้จักบาปจึงรีดบาปได้คนไม่รู้จักบาปจะรีดบาปได้ทําไมเหมือนกับมืดสีดําคนไม่รู้สีดำํำก็ไปโตรลงห ล, ลงลงบอ่อและคนไม่รู้มืดสีขาวมันต้องไปโตรเอาต้มเอาโคนที่มันเป็นสีขาวบัด น, นี้คนที่เดินด้วยตาแจ้งแจ้งไปไหนมาไหนเห็น บ่อเห็นโทนจะเป็นกลางวันก็เห็นอย่างนั้นจะเป็นกลางคืนก็เห็นอย่างนั้นเขาไม่ต้องไปลงบ่อลงคูลงคลงองอะไรทั้งหมดอันนี้ทุกคนเห็นพิษเห็นภัยเป็นพิษสุกในบรวรพุทธศาสนาดังนั้นเมื่อพูดเช่นนี้ก็กลับมาพูดกันเรื่องที่เราเคยถือกันอยู่ในตำลักตำาที่ทรงเอาไว้พิษสุ หมายถึงผู้เห็นภัยภิกตุหมายถึงบุคคลเป็นผู้เห็นภัยตัวภัย ค, คํวาว่าตัวก็ต้องถอนตัวออกจากภัยอ่ะ น, นั้ น, นภิกตุเตพเมทุนหนึ่งต้องหาบัติปรัชชขาดจะคกรมเป็นภิกตุเป็นภิกตุในบรวรพุทธศาสนาไม่ได้ฟังแล้กวก็ดูสีตึงๆอันนี้ฟังแล้วดูสีตึงๆ ภิกสู่รักของเขาราคาห้ามาตกขาจากควาเป็นภิกสูเป็นภิกษุในบรวรพุทธศาสนาไม่ได้ภิกสู่แจ้งผ้ามนุษย์ให้ตายจะเป็นนอกคันในคันก็ตามเป็นทิกสุในบรวรพุทธศาสนาไม่ได้สอนไว้อย่างนี้ทิกสู่พูดอวดอุตลีมนุษย์หาทำคือทำใันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีได้ต้น จากผมเป็นพิกจุเป็นพิจุในบวรพุทธศาสนาไม่ได้พิจูแปลผู้เห็นไถยเมื่อพูดถึงศัพท์นี้เราต้องพูดกันอีกพักหนึ่งคือเมืเ่อบุคคลใดยังมีอวิชชาคือมีโมหะโทสะโลภะสามอย่างนี้อยู่ก็เรียกว่ายัางเสษควมเลวสามเพราะโมหะโทสะโลภะร้ายกาที่ตุก ดังนั้นผู้ที่เป็นทิกตุเรามาศึกษาธรรมะที่นี้เราต้องงดเว้นสิ่งนี้จริงๆเลิกละจริงๆดูให้มันรู้เท่ารู้ทันจริงๆเนี่ยเราอยากให้สิ่งนี้เข้ามาเสพเราได้คือเราต้องเว้นจากสิ่งเหล่านี้ที่ว่าเรื่องตรงกันข้ามมันก็ตรงกันข้ามกับสติสมาธิปัญญา เรื่องโทสะโมหะโลภะมันโตกันข้ามอย่างนี้ทิกสุแป้งผ้ามนุษย์ตายคือทุกคนมีแล้วทุกคนมีแล้วแต่เราไม่ทำสิ่งนั้นให้มันปรากฏขึ้นมาเป็นการฆ่าตัวเองเป็นการฆ่าตัวเองและยังเป็นการผูกนัดผู้อื่นเอาไว้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นทิกสุในประวัพุทธศาสนาไม่ได้บัดนี้ ทูนักของคนอื่นลาคาห้ามาตกห้ามาตกก่ร้อยต่างเนี่ยกคนเราไม่รู้จริงไปจดจำเอาคำพูดของคนคนอื่นมาพูดมันไม่ได้เป็นของเรามันไม่เป็นของเราเราไม่รู้แจ้งเราไม่รู้จริงอันนั้นเรียกว่าเราไปยืมเอาคำพูดจากตำหลับตำลาหรือคนอื่นมาพูดอันนี้ก็เรียกว่าละ คำ พ, พูดของ พ, พรพเจ้ามาพูดหรือละคำพูดของไข่ก็ไม่ต่างแต่เมื่อ พ, พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่นั้นท่านสอนให้คนไปเจริญสติของเองให้ดูเองเห็นเองเข้าใจเองครั้งขายนานายขั้งที่หนึ่งขั้งที่สองขั้งที่สามขั้งที่ห้า พ, พระพุทธเจ้าปริณีตผ่านไปแล้วได้สี่ร้อยห้าสิสี่จึงได้การลึกเป็นแลนะแลกสอนเอาไว้เราจะ หามว่าถูกทุกบททุกตอนก็ไม่ได้แต่ว่าผิด ก, ก็ไม่ได้เราต้องรับเอามาไว้เราพิจะนำาตามความจริงที่เป็นจริงอยู่อย่างนั้นดังนั้นจึงว่าทิศสูงแว้งฆ่ามนุษย์ให้ตายแต่ไม่ได้แว้งฆ่าด้วยเอามีดไปฟันหรืออะไรไป น, น่คือเราไม่สนใจเรื่องความปราการที่จิตจำลึกของเรานั่นแหละเราไม่สนใจสิ่งที่มันมี อยู่ในเราเราไปนสนใจเรื่องนอกแนวมันก็เลยไม่รู้อันนี้เทว่าแว้งผ้ามนุษย์สายพิจูพูดพูดอุตรีมนุษย์ธทำคือทำพันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนอย่างที่เราเห็นเทวดาเห็นพระพุทธเจ้าหรือเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าหรือเป็นลูกพระอินทร์พระพรหอยู่สวรรค์ที่ไหนมาเกิดอานันตของของไม่จริง เราไปพูดให้มันเป็นของจริงมันผิดหรือว่าธรรมะพระพุทธเจ้าได้มาเทศสอนอย่างนั้นเราไปเอาธรรมะอย่างนั้นมาพูดมันผิดอันนี้มันผิดเรียก ว, ว, ว่าพูดอุต ร, รีมนุษย์หาธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์หรือว่าพูดธรรมะผมเนี่ยได้ตัดสรู้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นอันนั้นก็ิษพระพุทธเจ้าเทนสอนเอาไปอย่างนั้นดังนั้นคําว่าพูดพูดอุต ร, รีมนุษย์หาธรรมนั่นคือที่ไม่มีในเรา คือเราเนั่ย น, นะสามารถทาไม่ได้และกับคนอื่นที่ก็ยังสามารถทําไม่ได้อันนั้นเราว่าเรามีแล้วว่าเราเป็นทิศสูตรไม่ได้อันนั้นเป็นการพูดพูดอุตริมนุษย์ธรรมคือทําอัญยิกของมนุษย์ผู้ใดเป็นจะนั้ขาดจากมอมเป็นทิกษุตรในบรวรพระศาสนาจริงๆเรื่องนี้เราจะรู้เองเห็นเองเข้าใจเอง ดังนั้นการพูดอุตรีมนุษนาธรรมคือธรรมนยิ่งของมนุษย์ที่มีในต้นวันเนี่ยถ้าเรารู้พูดขึ้นมาให้คนอื่นฟังรู้จำรู้จักจดจำไว้ได้แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติเป็นการรู้แจ้งรู้จริงและก็คิดสู้ด้วยสติปัญญาได้อันนั้นเป็นอาบัติปจิตติเรียมแค่นั้นเพราะว่าผุทุตนเขาไม่รู้ เขาต้องตำหนิว่าทำอันนี้ไม่ควรที่จะมาพูดถ้าไม่พูดจะมาพูดทำไมพระพุทธเจ้าไปสอนใครก็ไปสอนคนที่ยังไม่รู้ให้รู้ขึ้นมาไปสอนคนที่ยังไม่เข้าใจให้เข้าใจขึ้นมาและเขายังไม่เคยได้ยินได้ฟังต้องพูดฉะนั้นผมหรืออตาตมานํามาพูดวันนี้ก็ท้ายๆคือเอาฟองจริงเอาตมจริงมาพูดใหุ้ผล กรอบพวกเรานี้มีพระจำนวนสามสิบห้าูปใช่ไหมครับแล้วก็มีเนลนสามูปรวมเป็นสามสิบแปูใช่ไหมครับแล้วก็มีโยมสีม่คนเนี่ยมันผู้ชายกี่คนนักดูเนี่ยผู้ชายหกคนแม่แม่แมออกกี่คน ออกเจ็ดคนทั้งหมดเป็นเจ็ดคนเนะี่ยหกเจ็ดคุณมาเยียมมาเรียมแล้วก็อยักฟังเลยไม่อยากฟังอยากฟังก็นับรวมเข้าไปจนเพื่อนๆก็เป็นเจ็ดคนเหตุที่อยากฟังเนี่ยดังนั้นในสมัยข้าพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรม คนที่มีสักธาก็มีน้อยคนที่ไม่มีสรักาก็มีมากพระพุทธเจ้าเป็นแสดงธรรมที่แรกมีห้าคนฟังห้าคนเท่านั้นเหลยมฟัง